ก็ศิลจารีนีตั้งใจฟังนะโดยพ่อเพิ่มีโอกาสได้มาเจอพวกเราก็วันนี้แหละซึ่งก็เป็นคือสุดท้ายที่พวกเราจะได้มาบวชปฏิบัติที่นี่ในฐานะสา ม, มเณรแล้วก็ในฐานะศิลจารีนียี่สบวันแล้วใช่ไหมที่พวกเราได้มาปฏิบัติกันที่นี่ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าตอนพ่อบวชเนี่ยอายุสิบขวบใกล้ๆ ก, กับพวกเธอนี่แหละ แต่บวชได้แค่สมวันเพราะว่าบวชเพื่อทำบุญให้กับคุณยา่าจาร่างคุณย่าไปฝังไว้นะในสุสานตามธรรมเนียมคนจีนยมพยศแม่ก็อยากจะให้มีสามันเนรไปเรียกว่าจูงศพก็ได้นะแค่สาวันเท่านั้นแต่ว่าก็เป็นสามวันที่มีความหมายมากเพราะว่าได้รับความประทับใจหลายอย่างจากการที่ได้ บวสา ม, มเณรไม่ได้มากลายถึง น, นชัยภูมินะก็บวชแถวยานาวานวัดวรรัญยาววา่าพวกเราใครที่อยู่แถวถนงตกนี่คงจะรู้จักวัดนี้ถ้าเป็นคนกรุงเทพแต่ตอนที่บวชเนนก็ได้มีเวลาอ่านหนังสือไม่ใช่หนังสือเรียนนะหนังสือนิธาอสมัยนั้มนะมันไม่ค่อยมีโทรทัศน์วิทยุไม่ต้องพูดถึงอินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์ไม่มีบางแห่งบวชนี่แล้วก็ยังได้ดูโทรทัศนะ์ได้เล่นเกมออนไลน์มีสมาร์ทโฟนสมัยนี้เป็นอย่างนั้นในบางวัดนะแต่ที่นี่เมไม่ถึงขนาด น, นั้นแต่ตอนที่หลวงพ่อบวชนีนะ่ก็ได้มีเวลาอ่านหนังสือแล้วก็ประโยชน์อย่างหนึ่งที่ได้คือว่า ความกลัวผีมันลดลงไปเยอะเลยแต่ก่อนนะกลัวผีแต่ว่าพอได้บวดในแล้วมีผ้ากาสาวะพัดห่อหอุ้มคลุมตัวก็รู้สึกมีความมั่นคงมั่นใจสึกไปแล้วก็แม้จะมีความกลัวผีอยู่แต่ก็ยังลดลงแต่ก็ลดลงไปได้เยอะมาหายกลัวผีก็ที่นี่นะเมื่อมาบวดอีกครั้งหนึ่งนะ ไปอยู่โนดหอไตรได้อยู่คนเดียวอยู่กับความมืดแล้วก็ได้เรีนรู้ที่จะเป็นมิตรนะกับความมืดเป็นมิตรกับอ่าสิ่งที่เราไม่รู้ท้าที่สองนัคือว่าได้มารู้เท่าทันความกลัวของตัวก็รู้ว่ามันเป็นที่ใจไม่ได้เป็นที่อะไรเลยก็เลยหายกลัวพวกเรามาบวชเนงหรือว่ามาบวชเป็นศิลจารินีทั้งทีนะ อย่างน้อยก็กอให้ความกลัวความกลัวความกลัวความมืดนะมันลดน้อยลงบ้างหรือถ้าได้ยิ่งกว น, นี้ก็ดีการที่พวกเรามาบวชเป็นสามเณรหรือศิลจารีมีนี่ก็ถือวา่าเป็นโชคนะหลายคนอยากจะบวชอย่างเราแต่ว่าก็ทำไม่ได้และถ้าเราใช้การบวชนี้เป็นประโยชน์ มันก็จะมีอนิสงส์นะนิสงส์แต่ว่าคุณประโยชน์มากมายในสนาปุสการก็มีสามนเณรหลายพันนกเดเยอะนะที่บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันในขณะที่อายุยังน้อยอย่างสามนเณรที่ชื่อสุขนะสุขสามนเณรอายุแค่นะมาบวชในตอนอายุเจ็ดขวบบวชได้แปดวันเท่านั้นแหละ ก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เลยเรียกวา่าเป็นสามเณีอัจฉริยะมากหลวงพ่อยังทําไม่ได้ขนาดนั้นเลยแล้วทาไมท่านเห็บรรลุธรรมได้นะเป็นพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์นี้แปลว่าผู้ที่หมดทุกข์นะหมดทุกข์เพหมดกิเลสหมดกิเลสเพราะมีปัญญาเห็นธรรมว่าไม่มีอะไรที่มันน่าเอาหน้ามีน่ายิดน่าครองเลยสมัมมณีสุขมาบวชได้ เ็ดวันวันที่แตกก็เดินตามพระสศรีบุตรไปพระสศรีบุตรนี้เป็นพระคารสาวกเป็นบู่าของพวกเ จ, จะนะ้าจ้านฟุ้งง่ายพระสาริบุตรนี้มีลูกศิษย์เป็นสามนเณรเยอะมากท่า น, นมีเมตตาเดินช้าๆบีนาบาศอย่างพวกเรานะเดินเข้าไปผ่านทุ่งนาก็เห็นชาวนากำลังทดน้ำไขน้ำเข้านา สมัยก่อนไม่มีเครื่องสูบน้ำนะชาวบ้านนี่ก็ต้องรู้จักวิธีการทดน้ําอทดน้ำคือมันกนะ็ทดเล่กนะทดเล่กในใจทดน้ําก็คือเปลี่ยนเส้นทางน้ําให้มันเข้าไปในนาอันนี้เป็นภาพที่คนชนบทนะถ้าพวกเรามาที่นี่เมื่อ30เมื่อร20ปีก่อนหรือ10ปีที่แล้วนะถ้ามาช่วงหน้าฝนก็จะเห็นชาวบ้านเนี่เขากำลังทดน้ําเข้านา เดินผ่านไปนะก็รู้สึกสะดุดใจนะเดินเดินเข้าไปในหมู่บ้านก็เห็นเรียกว่าช่างสอนช่างสอนคือช่างที่ทำธนูนะกำลังดัดไม้ทำรูปธนูนะดัดไม้ทาคันธนูเห็นก็สะดุดใจนะเดินต่อไปอีกหน่อยก็เห็นช่างไม้กำลังถากไม้ กำลังถักไม้ให้เป็นรูปทั้งสามเหตุการณ์สามภาพนี้ก็เป็นเหตุการณ์ธรรมดานะของชีวิตชาวบ้านแต่ว่าสามเณรสูงนี่เป็นคนฉลาดเมื่อเห็นชาวนาพ่น้้งเข้านาเห็นช่างสอนช่างทนูนะกำลังดัดคันธนูเห็นช่างไม้ถากไม้ก็ได้ความคิดขึ้นมาว่าเสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยนะ เช่นน้ำก็ดีเช่นไม้ก็ดีคันธนูก็ดีก็ยังสามารถที่จะดัดแปลงให้มันมีประโยชน์ได้แล้วคนเราล่ะคนเราซึ่งมีจิตใจจะดัดแปลงนะจะอบรมให้มันมีคุณภาพไม่ได้เฉลื่อซ้นะำในสุขีงในใจนะขนาดน้ำหรือว่าไม้หรือว่า พันธนูนี่ยังสามารถจะดัดให้มันมีประโยชน์ได้ทั้งที่มันไม่มีชีวิตแล้วคนเราซึ่งมีชีวิตมีจิตมีใจจะดัดแปลงจะฝึกผลให้ดีไม่ได้เฉลือคิดแบบนี้ก็เกิดความรู้สึกเลยว่าอยากจะฝึกผลขับเที่ยวจิตใจตนเองอยากจะดัดแปลงจิตใจตัวเองอบรมจิตใจตัวเองก็เลยขอลา ขอบอกลาพระไริบุตนะซึ่งเป็นอุปัชชาว่าตอนนีนะ้ขอไม่ไปิฏิบาตต่อนะก็ผมจะกลับไปที่วัดทำภารกิจ บ, บางอย่างพระไตริบุตก็อนุญาตทำในสุดก็เดินกลับวัดเยนะกลับวัดแล้วเข้าไปในวิหารแล้วก็ทำสมาธิภาวนาปุกจิตสุกใจ เพราะว่าเห็นคนอื่นเห็นชาวนาไถพดน้ำเข้านาเห็นช่างไม้ตาดไม้เห็นช่งาชงทนูดัดลูกศรก็รู้ก็รู้สึกว่าเราเองนี่นะต้องมาปึกจิตฝึกใจท่านก็บำเพ็ญภาวนาท่านนี้ยังไม่ได้ฉันอะไรเลยนะบอกว่าใกล้ๆจะเห็นธรรมแล้วาษายวิปุตก็กลับมาถึงวัดพอดี พระเจ้ า, จาตอนนั้นก็อยู่ในเหตุการณ์ก็อยากจะให้สามนเนนสุขได้ภาวนาต่อเพราะว่าจวนละจวนเทียนละแต่ถ้าเกิดพระไตรบุณนี่มาเข้ามาในวิหารก็อาจทำให้สามนเนรสุขอต้องหยุดพักภาวนาก็เลยพระเจ้าก็เลยไปไปขวางเอาไว้นะแล้วก็ชวนคุยชวนคุยกับพระไตรบุตร์ใ้ระหว่างที่ชวนคุยนั่นเอง สามเนสุดก็ปัญญาก็บ่มเพาะเป็นที่เหมือนน้ำที่กำลังใกล้เดือดพอถึงจุดหนึ่งน้ำก็เดือดปัญญาก็สว่างพโพลุธรรมเห็นธรรมทัมนทีเลยนะว่าสิ่ทั้งหลายทั้งปวงนี้นะมันไม่เทีย่ยงไม่น่า ย, ยึดถือจิตก็หลุดพ้นจากกิเลสเป็นพออาราอาหารทันทีอายุแค่เจ็ดขวบเท่านั้นเองนะบวชแค่แปดวัน บรรลุธรรมเร็วกว่าภาษาเรเบตินะภาษาเรเบุตินะตนี้ใช้เวลาสิบห้าวันถึงจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สา ม, มนเณรสุขนะอายุน้อยกว่าพวกเราอีกนะหลายคนแพวกเราอายุตื่นหนึ่งก็เก้าปีนะนั้นๆนะสา ม, มนเณรสุขอายุเจ็ดปีเศษเศษก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทำไมสา ม, มนเณรสุขถึงบรรลุธรรมได้นะก็เพราะว่าเป็นคนที่ฉลาดในการมองภาพธรมธรมดาธรรมดานะชาวนากําลังพดนน้ำเข้านา ช่างไม้กำลังถากไม้แต่ว่าสามเณรสุดนั้นมองแล้วเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาเลยนะว่าไอเราคนอื่นเขาก็ดัดโน่นดัดนี่กันแล้วเราเนี่ยเราจะทำอะไรก็ต้องดัดแปลงดัดจิตดัดใจตัวเองตรงนี้แหละเป็นที่มาของคำสอนของพูะุทธเจ้านที่มีชื่อมากท่านตัดสั้นๆว่าชาวนาไถน้าเข้านา นะช่างสอนนะดัดลูกศรช่างไม้ถักไม้ส่วนบัณฑิตนั้นฝุกตนบัณฑิตหรือผู้ฝุกง่ายผู้สอนง่ายนี้ฝุกตนแต่ละคนก็ทําหน้าที่ของตัวนะชาวนาก็ทําหน้าที่พดน้ําเข้านาช่างไม้ก็ถักไม้แต่พวกเราซึ่งเป็นเป็นสามนเนรหรือว่าเป็นศิลจาริณีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ สามารถจะเป็นบัณฑิตได้หน้าที่ของเราคือฝึกตนไปดัดแปลงไปควบคุมเปลี่ยนแปลงจัด ก, การสิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นข้าวของเครื่องใชน้นีมันไม่ไม่สําคัญเท่ากับการที่เรามาฝึกตนถ้าเราฝึกตนเมื่อไหร่ความเจริญงอ่งงามก็จะเกิดขึ้นได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตได้ชื่อเป็ น, น, ปนหนอนเนื้อของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สามเณรเท่านั้นนะสิริการีนีเป็นผู้หญิงก็สามารถจะเป็นหนอนเนื้อ เชื้อไข่ของพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าธรรมะนะเป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงระหว่างเรากับพระพุทธเจ้านะถ้ามีธรรมปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นศิษย์เป็นลูกเป็นหลานเป็นน้อนเม่เชื้อไ ข, ข่ของพระพุทธเจ้าได้นอกจากสามเณรสุขแล้วก็มีสามเณรอีกหลายท่านนะต้เรียกว่าหลายองค์เพราะว่าเป็นพระอรหันตะ์ธรรมดาธรรมดาแล้วก็เลี้ยว่าเป็นรูปนะ แต่ว่าสามนเณรสูงนี้เราเป็นองค์นะเพราะว่าเป็นผ้รารหัสสามนเณรสังกิจจากนี่ก็อายุประมาณเจ็ดขนี่แหละบรรลุธรรมเป็นผ้รารหัเป็นกันนะจะไม่ทำบินทบาเลยนะแค่ปรงผมนะปรงผมตอนที่ปรงผมนี่อาจารย์นะก็คือพอระสตรบุตกก็ให้พิจารณากรรมฐานนักขานักขาก็เล็กนะ หนังผลเล็กฟันผมพิจารณาแค่ห้อย่างเท่านั้นเท่านั้นแหละพิจารณาบอกว่าพอโกนผมครั้งแรกเนี่ยก็ได้เป็นโสดาบันโซดาบันนี่ก็เป็นพระทีบุคคลชั้นต่ำเนะพอโกนอีกทีก็ได้ได้เป็นสกิพระสะกิทาคามียโกนอีกทีก็เป็นพระอนาคามียโกนอีกทีก็เป็นพระอารหันเลยเพราะว่าขณะที่ท่านพิจารณาพิจารณาหเห็นว่าสังขารนี่มัน มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตมน ม, ตมันมีแต่สิ่งต่างๆที่มาประกอบกันเช่นขนผมเล็บฟันหนังไอ้พวกนี้นี่มันที่จริงมันก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะเช่นตับไตไส้ตูมพวกนี้แหละสามเณรสังคิจานี่ผู้ฉลาดมากพิจารณาได้รวนเร็วก็เห็นแล้วว่าเห็นธรรมอย่างแจ่มแจ้งก็เป็นพระอาหารหันต์ไปเลยนะอันนี้ก็แสดงว่า แม้เป็นเด็กนะแต่ว่าก็มีปัญญาที่ดูถูกดูแคลงไม่ได้แม้เป็นเด็กอาจจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ว่าก็มีความสามารถนะที่จะบรรลุธรรมได้ธรรมะของพระเจ้านี้ไม่ว่าจะเป็นคนอายุแค่ไหนจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นคนแก่หรือเด็กยากจนหรือร่ํารวย เป็นผ้าหรือคาราวาสก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเห็นธรรมได้ถ้ารู้จักมองเขาารู้จักมองมีสําคัญมากอย่างสามเณรสุขนี่เป็นคนที่รู้จักมองบางทีมองดอกบัวมองดอกบัวที่กําลังที่เบ่งบานตูมแล้วก็บานเต็มที่แล้วก็ค่อยๆร่วงโรยพิจารณาก็เห็นความเป็นอนิจจัง ของสังขารของสิ่งทั้งปวงก็บรรุธทําได้อันนี้เรารู้จักมองมีพระองค์หนึ่งตัวเล็กๆเหมือนเ like นมนะชื่นชื่อและกุตตกาพัติยะเรียกพัติยะตัวเตี้ยคุณะแล้วกุณฑกาเป็นคำคุณศัพท์คงบอกถึงบุคลิกว่าเนี่ยเป็นคนตัวเล็กๆนะกำลังเดินอยู่บินธบาดอยู่ก็มี ผู้หญิงนั่งรถนั่งรถมาผ่านมาเป็นนางคณิกาแต่งตัวสวยงามเห็นท่านท่านรักรุตการปฏิยาก็น่าเห็นดูหน้าตาเน่นดูก็ยิ้มยิ้มหวานเลยยิ้มสวยเลยน่าเหมือนกับรักุตรการปฏิญนี่ถ้าเลือกภาพเหมือนกับโกตตีนะผู้จ่ามโกตตีนะโคตตีบวชบวชพระเนี่ยคงหน้าอินดูนะนางคณิกาเห็นก็ยิ้มนะ ท่านก็เห็นหญินสาวยิ้มแทนที่จะหลงไหลได้ปลื้มทั้งกับมองโอ้ไอ้ทียิ้มให้มันเป็นห่วงของมารนะคนธรรมดาเห็นแล้วก็เกิดกิเลสแต่ว่าท่านเห็นแล้วนี่รู้ว่าเนี่เป็นห่วงของมารมารมาหลอกล่อให้หลงเห็นว่าสังขารนี่มันไปหลงหลงมันไม่ได้หลงมาแล้วเป็นทุกพิจารณาแบบนี้ท่านก็บระทุษธรรมะนะเป็นผ้านาคามีเป็นพผ้านาคามีคือว่าอีอีก อีกชั้นเดียวนี่ก็เป็นผ้าระหารแล้วนะพวกเรานี่ต้องฉลาด น, นะถึงแม้ว่าเราจะไม่ถึงขั้นที่จะบรรลุธรรมเป็นผ้าระหารได้แต่เรามีปัญญาที่จะสามารถมองให้เป็นรู้จักมองรู้จักมองถ้าเรามองให้เป็นเราก็ไม่ทุกข์นะคนสมัยนี้มองไม่เป็นถ้ามองไม่เป็นนี่ก็มันก็เกิดทุกข์ได้ง่ายแม้ได้โชคได้ลาบ ม, มาแต่ว่ามองไม่เป็นคิดไม่ถูก ก็เป็นทุกนะมีคนในหมู่บ้านนะของหลวงพ่อเนี่ยช <c oughs> าวบ้าน น, นนะคนหนึ่งเขาเขาไปแทงหวยส5บห้าบาทบอกว่าถูกนะถูกก็ได้ห0ร้อนะหร้อยบาทก็ดีใจมากเลยก็นะดีใจมากก็ไปพูดอวดใครกับใครว่า น, นี่วันนี้โชคดีนะถูกหวยแต่พอไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาแทงตัวเดียวกันนะแต่เขาแทงมากกว่า กอจะแทงห้าสนะิบบาทเนาะก็เลยได้สองพันพอก็รเลืกเพื่อนอีกคนหนึงได้สองพันนี่ที่เคยยิ่งนี่หกเลยนะเสียใจเลยเมื่อกี้ยังดีใจอยู่เลยตอนนี้เสียใจแล้วทำไมเสียใจนะะไม่น่าเสียใจยนะได้หกร้อยแต่เราเห็นเพื่อนได้สองพันนะเสียใจเลยอันนี้เรียกว่าเป็นคนไม่ฉลาดนะแล้วถ้ามองไม่เป็นนะ ได้โชคได้ราภก็เป็นทุกนะเหมือนกับเรานักนักเรียนนะสา ม, มนเนรสุดไปแล้วศิตใจมีสุดไปแล้วไปเที่ยวในตลาดกินขนมนะราคา20บาทอยากกินก็ต่อได้นะเราก็ต่อได้15บาทดีใจนะราคา20บาทเราต่อได้15บาทแต่พอกลับมาถึงบ้านนะน้องชายเรา เขาก็ไปซื้อมาเหมือนกันแล้วเขาต่อได้สิบบาทเราเป็นไงที่เคยดีใจนี่เสียใจเลยนะมีหลายคนนะเป็นทูกเพาออย่างนี้นะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเชียงใหม่ในบาซา่าพวกเราเคยไปวันในบาซา่าเขามีของขายเยอะสินค้าพื้นเมืองก็มากไปซื้อย่ามนะของชาวเขาก็ติดราคาห้าร้อยบาทก็ต่อได้สี่ร้อยนะดีใจ กลับมาบ้านกลับมาที่โรงแรมเพราะว่าเพื่อร่วมทัวร์ก็ซื้อเหมือนกันนะย่ามเหมือนนักเดือเลยแต่เขาต่อได้เก่งกว่าเขาต่อได้สามร้อยนะไอ้ที่เคยดีใจพราฉันต่อได้สี่ร้อยน่พอไปเห็นเพื่อนเขาได้สามร้อยนี่เสียใจเลยมาคิดดูนะไอ้คุณจะเสียใจรึเปล่านะในเมื่อเราก็ซื้อได้ของถูกเหมือนกันแต่พอเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่น วพาเขาได้ได้มากเขาก็ต่อได้มากกว่าเราเสียใจอันนี้เราคิดไม่เป็นนะไม่ฉลาดไม่ฉลาดคิดแม้ถ้าเราถ้าถ้าเราฉลาดคิดนะเดี๋ยวว่าแต่ได้โชคได้ลากเลยแม้ว่าเจอเคราะห์เราก็ไม่ทุกข์เรากลับมองว่าเราโชคดีได้ซ้ำผมพ่อเคยพาคนไปเยี่ยมผู้ป่วยนะผู้ป่วยที่เป็นโรคลายไนนะ พาคนไปเยี่ยมเป็นจิตอาสาไปเยี่ยมจิตอาสาคนหนึ่งก็ไปเจอเด็กสาวอายุสิบสี่ผมร่วงหมดเลยเพราะว่าเป็นมะเร็งสมองต้องฉายแสงต้องฉีดเคีโมผมก็เลยร่วงมะเร็งสมองนี่ น, น, น่ามันน่ากลัวกว่ามะเร็งชนอื่นๆนะแต่ว่าเด็กคนนี้นี่หน้าตายิ้งแย้มชวนจิตอาสาคุย สวนนอว่าลูก้วยกันจิตอาสาก็แปลกใจทาไมคนเป็นมะเร็งจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทำไมอารมณ์ดีแถมมีโอภาปาสายดีด้วยคุยไปคุยมาเด็กก็บอกว่าหนูโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกนะมีญาติคนหนึงเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมอง เป็นมะเร็งสมองนะก็ บ, บอกว่าโชคดีนะนะโชคดีเนี่ยเป็นเป็นมุมมองนะคนเราจะสุขหรือทุกข์ยังยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่มุมมองนะอยู่ที่ว่าเรามองเป็นหรือเปล่านะถ้าเรามองเป็นนะเราก็เห็นธรรมะเห็นความสุขอยู่รอบตัวถ้าเรามองไม่เป็นนะเราก็เห็นอะไรก็ตัวแล้วแต่ชวนให้ทุกข์ทั้งนั้น ขนาดได้โชคได้ลาภยังรู้สึกว่าโชคไม่ดีเลยพวกเราเนี่ถ้าถ้าจะได้ประโยชน์นะจากการบวชนะก็อย่างนี้นคือว่าเรารู้จักมองเพราะว่าสุขหรือทุกข์นะคนเราจะสุขหรือทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่มีที่ว่าเราจะมองมันอย่างไรแม้เราจะได้โชคได้ลาภแต่ถ้าเรามองไม่เป็นเราก็ทุกข์มีเรื่องนะเรื่องที่ นะน่าคิดเหมือนกันนะมีคุณลุงคนหนึ่งจะจะตั้งใจจะปฏิบัติธรรมจเจรินั่งสมาธิจะไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมมาเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าเนี่จะนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันตอนเย็นเลิก ง, เลกงานแกเป็นพ่อค้าเลิกงานแกก็จะนั่งสมาธิาก็นั่งได้ไม่มีภาษาอะไรจนกระทั่งพอถึงเสาร์อาทิตย์มีปัญหาเพราะว่าเด็กนะ เด็กจากที่ไหนไม่รู้มาเล่นฟุตบอลกันเตะบอลกันหน้าบ้านของลุงส่งเสียงดังมากเลยส่งเสียงดังมากนั่งสมาธิไม่ได้เลยลุงก็อยากจะอยากจะไล่เด็กพวกนี้ออกไปแต่ก็รู้ว่าถ้าไล่ไปเนี่ยเด็กก็จะไม่พอใจเด็กก็จะหาทางมาลังควาลทําให้ลุงยิ่งวุ่นวายจัดแกก็เลยเอาอุบายเอาอุบายนะทํายังไง ก็ลงไปหาออกไปหาเด็กแล้วก็บอกว่าโอ้พวกหนูเล่นฟุตบอล น, นี่มีความสุขมากทําให้ลุงเนี่ยรู้สึกเบิกบานใจอยากจะให้พวกหนูนะมาเล่นบ่อยๆนะเอาให้เงินร้อยบาทเป็นค่าจ้างแล้วก็มาเล่นอีกนะอาทิตย์ต่อมาเด็กก็มาเล่นลุงก็ออกไปหาเด็กบอกว่าอขอบใจนะักที่มาเล่นฟุตบอลทําให้ลุงเบิกบานใจแต่ว่าวันนี้ ช่วงนี้ลุงเงินไม่ค่อยมีนะเศรษฐกิจมันติดขัดเอาไปห้าสิบก็แล้วกันนะเอาไปแบ่งกันนะเป็นค่าจ้างเด็กก็ดียังดีใจอยู่อันที่ต่อมาเด็กมาอีกนะตอนนี้ลุงก็บอกกัเด็กว่าช่วงนี้ลุงนะเงินนี่ไม่พอใช้แนละ้วเอาไปสิบบาทแล้วกันนะเอาไปแบ่งกันตอนนี้เด็กไม่พอใจนะ นะเด็กรับเงินสิบบาทด้วยความรู้สึกเสียไม่ได้ทุกคนรู้สึกว่าสิบบาทนี่ไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยก็เลยตกลงกันว่างั้นอาทิตย์หน้าไม่มาเล่นละไม่คุ้มอาทิตย์ต่อมาเด็กก็เลยหายเงียบไปเลยความสงบก็เลยกลับคืนมา <c oughs> เด็กฉลาดไหมเนี่ยฮะทำไมไม่ฉลาดฮะโง่อ ย, อยังไงฮะไม่รู้เหรอ คือเด็กเข้าพนนะักเด็กคิดนะว่าไอตอนที่เล่นครั้งแรกๆนี่นะเล่นโดยที่ไม่มีเงินก็ยังมาเล่นได้ในชะ่ไหมเพราะว่าเด็กเล่นด้วยความสนุกแต่พอได้เงินแล้วเนี่ยนะเด็กก็คิดอีกแบบนึงแล้วว่าเอ๊ะมันคุ้มหรือเปล่านะตอนที่ได้ร้อยบาทก็รู้สึกว่าคุ้มนะแต่พอได้สิบาทเหลือสิบาทเด็กรู้สึกไม่คุ้มเด็กก็าเชื่อไม่คุ้มไม่คุ้มกับค่าเหนื่อยที่มาเล่นบอล แต่ถ้าเด็กฉลาดนกะ็น่าจะมองว่าเอสมัยก่อนเนี่ยแต่ก่อนเรามาเล่นเราไม่ได้เงินสักแดงเลยแต่ตอนนี้เราได้สิบบาทนะก็น่าจะเล่นต่อนะเพราะว่าแต่ก่อนไม่ได้เงินเลยก็ยังมาเล่นใช่ไหมตอนนี้ได้สิบตอนเนี้ยได้สิบบาทแล้วเออก็ยังน่าเล่นต่อไปแต่เด็กเขาเขาแบบเขาไม่ได้คิดว่าเขาได้สิบาทนะเขาคิดว่าเขาขาดเขาเสียเงินไปเก้าสิบบาทแต่ก่อนได้ร้อยเนี่ยตอนนี้เหลือสิบบาทเขาคิดว่า เงินหายไปเก้าสิบบาทเขาเล่นไม่อยากเล่นแล้วนะเด็กฉลาดนี่ก็จะไม่มองเขาเสียเงินไปเก้าสิบาทเขาจะมองเขาได้เงินมาสิบบาทแต่เด็กกลุ่มนี้ไม่ฉลาดเขาคิดว่าเขานะเงินหายไปเก้าสิบเขาก็เลยไม่เล่นละพวกเราอยากเป็นแบบเด็กพวกนี้ไหมไม่ไมอะทีหลังเวลาไปเรียนหนังสือแล้ว แต่ก่อนแม่ให้ร้อยเด็กต่หลังให้สิบาทก็ต้องยินนะยินรับนะเออเรียนเรียนเรียนแล้วยังได้เงินหนึบนะสิบบาทแต่จริงๆไม่ใช่เด็กเป็นอย่างนี้นะผู้ใหญ่ก็เป็นนะผู้ใหญ่ก็เป็นเพราะว่ามองไม่เป็นไงมองไม่เป็นคนเราถ้ามองไม่เป็นนะมันก็ทุกข์นะอย่ามีเพื่อนของหลวงพ่อคนหนึ่งจะเป็นนักเล่นหุ้นนะก็ไปเจอคุณป้าคนหนึ่งคุณป้าคนนี้แกเป็นนักเล่นหุ้นเหมือนกันเล่นหุ้นนี่รู้จักงไหม ซื้อถูกขายแพงอ่นะซื้อถูกขายแพงพุ้นซื้อสิบาทไปขายยี่สิบเนี่ยนะรอว่ารอว่าเมื่อไหร่มันราคายี่สิบก็ขายซื้อซื้อถูกขายแพงพูดง่ายคุณเป้านี่แกก็มีมีชีแบบนี้แหละซื้อถูกขายแพงวันหนึ่งวันได้คุณเป้าก็บอกว่าเมื่อสองเมื่อสามวันก่อนขายพุ้นไปตัวหนึ่งได้กำไรสิบล้านบาทสิบล้านบาทนะ เพื่อมาเลยบอกโอ้ยินดีด้วยครบคุณป้าคุณป้าบอกยินดีอะไรกันล่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กําไรยี่สบล้านละเพราะว่าราคาหุ้นมันขึ้นไงยินดีอะไรกันล่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กำไรยี่สิบล้านละคุณป้าไม่ดีใจนะได้สิบล้านสิบล้านนี่มันยี่กว่าลอตเตอรี่ละวันที่หนึ่งนะพัลนู้ขึ้นคุณป้าก็หายไปจากตลาดหุ้นเพื่อมาเลยไปถามว่าคุณป้าหายไปไหนไปถามเจ้าหน้าที่ตลาดหุ้นก็ได้คําตอบว่าคุณป้าป่วย ป่วยเข้าโรงพยาบาลรู้ไหมป่ air, วยเพราะอะไรทำไมเข้าโรงพยาบาลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเครียดที่ได้แค่สิบล้านคุณป้าไม่ได้มองว่าได้สิบล้านคุณป้ามองว่าฉันมองว่าฉันเสียสิบล้านนะ <The S 2> แกไม่ได้มองแกได้สิบล้านแล้วแกมองว่แกเสียสิบล้านเพราะว่าถ้าแกไม่ไม่รีบขายหุ้นวันสาวันก่อนแกขายหุ้นวันวนีน้แก ไ, ได้กําไรยี่สิบล้านแต่ว่าแกไปขายหุ้ น, นก่อนเนี่ยแกได้สิบล้าน แทนที่แกเมองแกได้สิบล้านแกมองแกเสียสิบล้านนะอย่างนี้ฉลาดหรือโง่นะโง่นะคนเราต้องมองดีแล้วว่าเราเนี่ยได้สิบล้านแต่ถ้าเรามองว่าเราเสียสิบล้านนะเราป่วยทันทีเลยนะโอ้โหสิบล้านหายไปแล้วนี่เรื่ว่าต้องมองให้เป็นนะมองให้เป็นถ้าเรามองเป็นเนี่ยนะเจออะไรก็ไม่ทุกนะมีเพื่อนมีคนหนึ่งนะแกชอบสอนลูกนะให้มองอะไรเนี่ยให้มองแง่ดีของสิ่งต่างๆ เงินหายก็มีข้อดียังไงบ้างเงินหายมีข้อดียังไงบ้างฮะข้อดีก็มีนะเช่นทําให้เรารู้จักระมัดระวังนะหายสิบบาทก็ดีนะให้เราระมัดระวังเพราะถ้าเราไม่ระมัดระวังต่อไปอาจจะหายร้อยบาทหรือหายพันบาทวันหนึ่งก็คุณพ่อก็ขับรถไปปรากฏรถติดนะติดไฟแดงก็เลยถามลูกว่าติดไฟแดงนี่มันดียังไงนะมีข้อดีไงบ้างพวกเรารู้ไหมตอบได้ไหมติดไฟแดงมีข้อดีไงบ้าง เด็กรุงเทพเนี่ยเจอไฟแดงบ่อยพ่อถามลูกว่าติดไฟแดงมีข้อดีอะไรบ้างลูกก็ใช้เวลาคิดหน่อยเสร็จแล้วก็บอกว่าก็มีข้อดีตรงที่ว่าทำให้พ่อคุยกับลูกเนี่ยพราะถ้าขับรถไม่ติดไฟแดงนี่พ่อไม่คุยกับลูกอะพ่อมองไปข้างหน้าอย่างเดียวพอติดไฟแดงพ่อไม่มีอะไรทำพ่อก็เลยชวนลูกคุยนะถ้าเด็กฉลาดนะขณะดรถติดก็ยังมองเห็นประโยชน์หรือมองเห็นข้อดี คราวนี้เนี่ยนอกจากการมองเห็นข้อดีแล้วนะอย่างหนึ่งที่เราควรมองกนะ็คือให้มองข้อดีคือมองข้างนอกมองมาข้างนอกเนี่ยหรือมองว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเรามีข้อดีไงบ้างแต่ว่าเราต้องรู้จักมองเข้ามาข้างในด้วยมองเข้ามาที่ใจเราก็คือรู้ใจเราต้องฉลาดในการรู้ใจเราเวลาโกรธก็รู้ทันความโกรธเกิดขึ้นเวลาเกลียดเวลาโมโหก็ฉลาด กลับมารู้ทันใจของเราคนฉลาดนี่เขาจะเขาจะรู้ทันจิตใจของตัวเองนะเพราะเขารู้ว่าถ้าหาปล่อยให้ความโกรธความเกลียดความหมึดหงิดความเสียใจครอบงาใจแล้วเนี่ยมันจะทุกข์เด็กฉลาดนี่เขาจะรู้นะว่าที่มันทุกข์เนี่ยเพราะว่ามันมีความไม่สบายใจเกิดขึ้น ความไม่สบายใจก็ไดได้กต่อะไรเช่นความโกรธความเกลียดความกลัวถ้าไม่อยากทุกข์เนี่ยเขาก็จะพยายามดูใจตัวไม่ให้ความโกรธความเกลียดเข้ามาครอบงำมีมีหลายคนนะที่ประวานไม่ใช่หลานทีเดียว น, นะเป็นเป็นลูกของเพื่อนอายุ ป, ประมาณแล้วตอนที่ตอนที่ตอนที่เขาอายุประมาณสีห้ขวบนี่นะมันก็มีวันหนึ่งนะเขาถูกแม่ว่า เขาถูแม่ว่าปาวานปาวานเป็นเด็กฉลาดปกติก็จะเถียงแม่ <Okay. S 1> ยิ่งแม่ว่าก็ยิ่งแม่พอใจแต่ว่าวันนี้นะแปลกนะแม่ว่าลูกเขาแม่แม่ว่าปาวานปาวานทุ่มเงียบพอแม่พูดจบปาวานก็เดินออกไปเลยแม่แปลกใจก็เลยถามปาวานปาวาไปไหนปาวานตอบว่าผมไปสงบสติอารมณ์ครับ ปาวารู้ว่าตัวเองกําลังทุกข์เพราะว่ามีความโกรธเกิดขึ้นปาวาล์รู้สึกร้อนใจนะเพราะว่าแล้วก็รู้ว่าเป็นเพราะมีความโกรธเกิดขึ้นคนเราเวลาทุกข์เนี่ยนะถ้าไม่ดูใจตัวเองนะันจะโทษคนอื่นเช่นไปโทษแม่ว่าทําไมมาว่าแบบนี้ทําไมพูดแบบนี้เสร็จแล้วก็จะเถียงกลับท่านี้นเป็นธรรมชาติคนที่ไม่เห็นใจไม่มองมองไม่เห็นจิตใจตัวเองนะแต่กความาวาก็เป็นแบบนั้นนะ เวลาถูกแม่ว่าก็โกรธไม่พอใจพอไม่พอใจเนี่ยแทนที่จะกลับ ม, มาดูใจของตัวก็ไปเข้าใจว่าทุกข์เพราะแม่ว่าก็จะเถียงแม่แต่ว่าประวานเนี่ยนะเขาเขาฉลาดนะไม่รู้เขาไปเรียนอย่างที่ไหนมาพอเขารู้สึกเกิดความทุกข์ขึ้นมาเขากกลับ ม, มาดูใจแล้วก็พบว่าใจมันร้อนเพราะว่ามีความโกรธมีความไม่พอใจเกิดขึ้น ประวังก็เลยเดินออกไปเพื่อไปสงบสติอารมณ์เพราะรู้ว่าถ้าสงบสติอารมณ์แล้วพอใจสงบแล้วเนี่ยก็จะหายทุกข์ น, นี่เป็นเป็นเป็นความฉลัดงประวันนะอย่าว่าแต่เด็กเละผู้ใหญ่เนี่ยเวลาทุกข์เนี่ยนะเวลาถูกคนต่อว่าเนี่ยก็จะไม่พอใจก็จะไปคิดว่าเราทุกข์เพราะคนอื่นเขาพูดไม่ดีกับเราไม่ได้มองว่าเนี่ยที่ทุกข์เนี่ยเพราะว่าใจเนี่ยกําลังปล่อยให้ความโกรธ มันเผาหลนจิตใจแล้วประวัต น, นี่เด็กฉลาดพอเข้ามาดูใจเราว่านี่ยความกลัวกำลังเผาใจแล้วต้องไปหาน้ำดับไฟสักหน่อยก็เลยเดินออกไปไปสงบสติอารมณ์อีกไล น, น์นึงนะชื่อน้องไอน้องไอน้อไอนี่ก็ประมาณนี้แหละสีหา้าขวบชื่อตรงนะน้องไอนี่วันนึงวิ่งเล่นอยู่ในบ้านนะพรากฏว่าวิ่งไปวิ่งไปพรากฏไปโดนชนวิ่งไปชนกระจกนะประตูกระจกนะ ชนประตูกระจกที่ว่าประตูไม่ได้ปิดนะวิ่งค น, น ป, รประตูกระจกร้องโอ๊ยเสียงดังเลยนะแม่อยู่ในครัวได้ยินเสียงร้องน้องอาร้องตกใจวิ่งมาเห็นน้องไอนั่งนะนั่งอยู่ก็จะเข้าไปกอด น, น้องไอเพื่อปลอบให้หายปวดน้องยายุน้องอ า, ายุกมือเลยบอกแม่ไม่ต้องแม่ไม่ต้อง เดี๋ยน้องไอ้นั่งสมาธิก่อนทําไมน้องไอนั่งสมาธิเพราะน้องไอรู้ว่าถ้านั่งสมาธิแล้วความปวดมันจะลดลงความปวดมนมีสองอย่างนะปวดใจกับปวดใจปวดใจกับปวดใจน้องไอรู้ว่าถ้าทําสมาธิแล้วเนี่ยใจมันจะสงบพอมาสงบแล้วความปวดก็จะลดลงเอ้น้องไอรู้ได้ยังไงนะน้องไอรู้เพราะว่าน้องไอ์มีพอรู้จักมองติดใจโดยหันมารู้ทันใจโดยไอ้เปพาะพ่อแม่สอนดีก็ได้นะพ่อแม่สอนให้ให้ เวลาน้องไอนะ้โกรดเวลาน้องไอง้โมโหเวลาน้องไอ้พุกนะก็ให้หรือน้องไอ้กลัวก็ให้มาดูใจว่าเป็นยังไงใจตอนนี้เป็นยังไงปกติคนธรรมดาเด็กๆเนี่ยเวลาชนชนประตูเนี่ยจิตมันจะส่งออกนอกคือจะไปจะไปโทษประตูจะไปโกรธประตูว่าทำไมประตูมาปิดเราเลยชนไม่ได้มองว่าไอ้เป็นเพราะเราซุ่มซ่ามหรือเปล่าผู้ใหญ่ก็เป็นนะ น้องไอซ์เนี่ยถ้าไม่ได้สุดมาเนี่ยน้องไอซ์ก็จะโกรธโกรธประตูแล้วก็อาจจะเตะประตูแต่น้องไอซ์รู้ว่าไอความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะประตูหรือกระจกแต่เป็นเพราะใจเราใจเรากําลังโกรธใจเรากําลังว้าวุ่นน้องไอซ์ก็เลยกลับมานั่งสมาธิแสดงว่าเขารู้ว่าความทุกข์อยู่ที่ใจตัวเองก็เหมือนกะบปาวา น, นที่รู้ว่าความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจ เพราะฉะนั้นถ้าจลดความทุกข์ถ้าอยากจะหายทุกข์ก็ต้องกลับมาฝึกใจกลับมาสงบสติอารมณ์หรือไม่ก็กลับมานั่งสมาธิอย่างน้องน้องอังอันนี้มันก็ขึ้นอยู่พ่อแม่ดูนะพ่อพ่อแม่เนี่ยเวลาเวลาลูกไปชนประตูเนี่ยบางทีพ่อแม่เห็นลูกร้องไห้ก็ไปอยากจะให้ลูกร้องอยากให้ลูกหยุดร้องไห้ก็ไปตีประตูนะเนี่ยไปหลอกเด็กว่าเนี่ยถ้าตีประตูแล้วเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกว่าเออ ได้ได้แก้แค้นแล้วเด็กก็จะหายโกรธหรือว่าเวล า, เ, าเดินไปชนไปชนโต๊ะนะจนกระทั่งกระแทกพื้นหรือเดินเดินไปชนเดินไปชนโต๊ะแล้วก็ปวดขึ้นมาร้องไห้แม่อยากจะให้ลูกหยุดร้องไห้ก็ไปตีโตะ๊นะเด็กก็เลยเข้าใจว่าอ๋อที่เราทุบเนี่ยเพราะว่าโต๊ะที่เราทุบนี่เพราประตูไม่ได้คิดว่าไอ้ที่ทุบเนี่ยนะ มันอยู่ที่ใจตัวเองด้วยใจที่กําลังโมโหใจที่กําลังโกรธไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะมันพวกเราฝึกได้นะพวกเราเนี่ยอายุมากกว่าปาวานันอายุมากกับน้องไอนยฝึกได้เวลาใครเวลาใครมาว่าเร า, าเดี๋ยวพิ่งไปโกรธเขากลับมาดูใจก่อนว่าเราใจเราเป็นยังไงใจเรากําลังร้อนรุ่มใจเรากําลังโมโหดูใจตรงนี้ก่อนนะแล้วพอเรากลับมาดูใจเนี่ยเชื่อไหม มันจะสงบลงอย่าเพิ่งไปโทษคนอื่นนะกลับมาดูใจตัวเองอันนี้เป็นวิสัยคนฉลาดแล้วคนที่ถ้าเรากลับมาดูใจตัวเองนะเราจะมีความสุขได้ง่ายคนที่รักตัวเองจริงๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่กลับมาดูแลใจิตใจตัวเองถ้าเราอยากจะรักตัวเองนะเราต้องกลับมาดูใจของตัวเราเองบ่อยๆไม่ว่าดีใจเสียใจไม่ว่าโกรธไม่ว่าโมโหเวลากลัว เวลากลัวอย่เพิ่งย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปมองข้างนอกว่ามันมีมันมีอะไรที่น่ากลัวหรือเปล่ามันมีผีหรือเปล่ากลับ ม, มาดูใจตัวเองมันจะช่วยทำให้เราหายกลักว น, น้อยลงแล้วคนที่รักตัวเองจะมีนิสัยแบบนึงนะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าคน <las> คนฉลาดเนี่เขาจะมองข้างนอกรู้จักมองข้างนอกมองเป็นแล้วก็รู้จักมาดูใจตัวเองแล้วคนที่ฉลาดนี่เขาก็จะมี อีกอย่างนั่นคือเขาจะเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะก็จะคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองคนเราถ้าคิดถึงตัวคนอื่นมากกว่าตัวเองนี่มันจะทุกน้อยลงนะเชื่อไหมคนที่คิดถึงตัวเองนี่จะทุกข์ง่ายเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็ทุกข์ลวเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่พอใจแต่ถ้าคนที่คิดถึงตัวคนที่คนที่คิดถึงคนอื่นเนี่ยเขาจะเขาจะทุกน้อยลง น้องโยนะ้น้องโยเป็นเด็กอายุเจ็ดขวบนะเป็นผู้ชายนะวันหนึ่งป้าชวนน้องโยซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองนคาปฐมปราก็ว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนมอเตอร์ไซค์พังยับเยินป้านี่มือแขนหักไปข้างนึ่งแต่น้องโยนี่หนักขาเละไปข้างนึงเลยะเลยนะรถพยาบาลรีบพา เข้าโรงพยาบาลทันทีระหว่างทางนี่ป้านี่ร้องโอดโอยแต่น้องโยนี่ไม่ร้องเลยจนถึงห้องผ่าตัดผ่าตัดเสร็จหมอก็แปลกใจทำไมน้องโยไม่ร้องป้านี่ร้องโอดโอยถามน้องโยว่าทำไมน้องโยไม่ร้องน้องโยตอบว่ากลัวป้าเสียใจครับน้องโยนี่คิดถึงป้าสงสารป้าไม่อยให้ป้าทุกข์มากกว่านี้น้องโยไม่ได้คิดตัวเองเลยน้องโยสงสารป้าไม่อให้ป้าทุกข์ก็เลย สะกดตั้งความความเจ็บเอาไว้ความเจ็บของตัวเองกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยความคุดของป้าเป็นเรื่องใหญ่กว่าถ้าน้องโยคิดถึงตัวเองนะโอ้แล้วฉันจะเล่นบอลยัไงไงนี่ต่อไปแล้วถ้าท่านขาพิการฉันจะหาแฟนได้ไหมเนี่ยถ้าที่แบบนี้น้องโยร้องลั่นห้องเลยแต่น้องโยไม่ได้คิดถึงตัวเองน้องโยคิดถึงป้าไม่ให้ป้าเสียใจไม่ให้ป้าทุกข์ทรมานก็เลยสะกดกั้นความเจ็บไม่ร้องเลย อั น, นี้เป็นตัวอย่างคนที่ทคิดถึงคนอื่นนะมันจะรู้สึกว่าความช่วยเหลือมันเล็กน้อยมีเด็กคนหนึ่งนะร้องไห้โยเยนะเพราะว่ารองเท้าขาดรองเท้าก็ไม่ได้ขาดอะไรมากนะมันเพียงแค่มันมันมียืมันมีรอยก็บอกแม่ว่าทําไมแม่ไม่ซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้ร้องไห้แต่พอเดินไปสักพักก็หยุดร้องเลยเพราะไปเจอเด็กขาขา ด, ขาดกําลังขอทานอยู่นี่ ทำไมหยุดร้องฮะตัวเองไม่ตัวอลองร อ, องเท้าขานิดหน่อยเนะี่แต่ว่าพอไปเจอเด็กที่ขาขาดเนี่ยไม่มีขาเนี่ยหยุดร้องเพราะโูโดนี่เราโชเดียเขาเยอะฉนั้นถ้าเราคิดถึงจะถึงถ้าเราคิดถึงตัวเงเมื่อไหร่เนี่ยเราจะทุกข์ง่ายเนะี่ยแต่ถ้าเราคิดถึงคนอืน่นเริ่มตั้งแต่พ่อแม่แล้วก็เพื่อนนักเรียนด้วยกันจนถึงกระทั่งคนที่เขาลำบากกว่าเราถ้าเ ร, เราอยากเป็นคนที่มีความสุขง่ายใ้ท่องคิดถึงมันเ้น เ, ยเยอะ นะอย่าเอาตัวเองเป็นเป็นใหญ่เอาแล้วก็พูดมาเยอะแล้วนะรู้สึกว่ายาวเกินไปแล้วก็ขอยุติเึ็นเท่า น, นี้ถือว่ามาทดใช้ที่ไม่ได้มาพูดคุยมาพบปะพวกเราเลยก็ขอยุติการบรรญาาเป็นเท่า น, นี้สาธุ